อย่าไปทิ้งของเกลื่อนกลาดอของที่ได้มาทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะไม่ใช่ของเรา เ, เป็นของศรัทธายาตโยมเขาถวายมาก่อนที่เขาจะถวายมาเลวเขาจบแล้วจบอีกอถึงจะเป็นจตุปัจจัยก็เถอะพอได้จตุปัจจัยมาแล้วก็ไปสั่งเอาของที่ต้องการพวกถ้วยโถโอชามของใช้ต่างๆ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 เขาวัวกับขนวัวเยอะลักษณะอย่างงั้นแหละคนที่รับผิดชอบในเรื่องต่างๆเนี่ยเหมือนกับเขาวัวเน่ยไอ้คนที่ไม่รับผิดชอบเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็เหมือนกับขนวัวเราคิดดูซิว่าขนวัวกับเขาวัวอันไหนมากกว่ากันฮเขาวัวมีสองเขาใช่ไหมล่ะวัวตัวหนึ่งมีสองเขาแต่ขนวัวเนี่สิี่ยจนนับไม่ท้วนมันลักษณะอย่างงั้นแหละเพราะนั้นให้พวกเรา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 มีพระทั้ง10กว่าองค์พอไปบินทบาทชาวบ้านเขาก็ใส่ไข่ใส่ไข่ข้าไปคงจะเป็นไข่ไก่มั้งไข่ต้มนะได้ประมาณาสัก3มสีลูกพระเเป็น10องค์อันนี้หลวงปู่กงแก้วที่เป็นอุปชาเนรหลวงพ่อนะพูดให้ฟังหลวงปู่เสาท่านก็บเออเอาไปเ น, นตปรตะปะขาวไปเอาใบมะม่วงมา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 พระลูกพระหลานสัทา ย, ยาญาติโยมแนวหนึ่งนะอาตอนนี้ไปรับผ่อนอนุโมทนาให้ผ่อน